ในสวรรค์มีพิธีบวช เพราะปรากฏว่าในเช่น สําหรับปัญหาข้อนี้ปัญหาข้อนี้สมเด็จอุปัชฌาย์ๆ ถ้าจิตใจก็เป็นพระจริงๆในเมื่อตายในขณะที่ และจิตใจถึงความเป็นพระและต้องการจะเป็นพระจะยังไม่เป็นพระทั่นที่ที่เป็นคารวาท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 1 ท่านได้อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมอีก ละเมไสยว่าจะไปได้ทุกภูมิซึ่ง ปัญหาอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อที่ข้าพเจ้า 500 โดย 500 ปีทิพย์ซึ่งในเมื่อคิดเทียบเวลา คนตกนรกปีอย่างนี้เป็นต้นทําให้ข้าพเจ้าสงสัย ส่วนผู้ที่อยู่ในสวรรค์เขารู้สึก การๆในเมื่อเทียบกับเวลาของมนุษย์นั้นก็ ตาของมนุษย์ไม่อาจจะเห็นได้เพราะ และผู้ก็ต้องเป็นพวกที่มีความสนใจต่อความเป็นไปของมนุษย์จึงจะรู้ว่าตัวเองอยู่มานานแล้วเท่าไหร่รู้ว่าตัว แต่อันที่จริงเรื่องของเวลาก็เป็น เพราะพวกเทวดาในชั้นดาวดึงมิความสุขมากกว่าพวกแต่อย่างไรก็ดีในชั้นดาวดึงส์มีความสุขมาก เวลาของคนที่อยู่ในความทุกข์ทรมาน คนที่ตกนรกไม่นานเท่าไรก็ขึ้นมาได้ที่ตกนรกไม่เช่น ถ้าหากคนไหนด้วยปกติมีพื้นจิตใจสูงเคยมีความคิดถูกต้องเคยรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักบุญรู้จักบาปโดยปกติมีพื้นจิตใจสูงเคยมีความ เขาก็จะพ้นจากนรกได้ในทันทีก็จะพ้นจากนรกได้ในทัน ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนว่ากล่าวคือเป็นคนชาติอื่น แทนที่จะเป็นบทเรียนให้เข้าสํานึกถึงความผิดกลับทําให้ เป็นเพราะสิ่งภายนอกหรือเป็นเพราะคน บุคคลที่มีนิสัยอย่างนี้แม้ในบาง การลงโทษในเมืองนรกหรือการ 2509 มหาย กาลดินดลในฉาก พบพานความหมดอะไรมีหรือ จะเพียรหนอ